โอ ต, ตัสซาภะควโตอระหโตสัม <c oughs> า ม, ะะสม า, า, าสัมพุทธัสซานาโมตัสซาภะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธตัดซาขอนอบน้อมแด่พระภู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณ บ, บัดนี้ <c oughs> ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอย่ามัวคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นตั้งใจขึ้นมาตั้งใจตั้งตัวตั้งกายตั้งหมดทุกอย่างตั้งแต่ดวงจิต ด, ดวงใจขึ้นมาใจของคนเรากับรูปร่างกาย ให้มันเป็นสามะคีทำอะไรให้มันพร้อมอยู่ในใจเมื่อใจต้องการอย่างไรกายก็ให้เป็นไปอย่างนั้นดูพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลทั้งที่บูตรเรียนเขียนอ่านเป็นภิกษุภิกษุณี สามมันเณรสามมันเณรลทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยโน้นท่านมีความหมั่นความขยันไม่ท้อถอยคำว่าพุทธโธหรือพุทธกุลไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันเจริญอยู่ในใจสวดอยู่ในใจสวดทางนอกทางใน ท่านจเจริญธรรมกรรมาฐานมีศรัทธาแก่กล้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อยังมีชีวิ ต, ตจิตใจอยู่ท่านไปเทศไปแสดงธรรมที่เมืองกุลุราชแสดงมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม พระองค์ไปตรัสเทศนาสอนคนเมืองนั้นแล้วเมืองกุโลราตนั้นเป็นเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเมืองยังไม่เจริญเหมือนเมืองใหญ่ต่างๆในสมัยนั้นแต่ศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสศรัทธา ในมหาสติปฐานสี่ตามตำนานยานหลวงปู่มั่นท่านว่าหลวงปู่มั่นในเวลานั้นท่านก็ยังอยู่อินเดียยังเป็นแขกอินเดียอยู่เป็นคนเมืองกุลูลาชแต่เป็นคนสั้นกลางได้เห็นพระพุทธเจ้า ได้กราบได้ไหว้ได้เห็นลัศมีหกประการได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาปาษาทะความเชื่อความเลื่อมใสอันสูงสุดในเวลานั้นจนได้ตั้งใจว่าจะเอาให้ได้เป็นประพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในอนาคตการ แต่ก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพร้อมมาจนกระทั่งเกิดตายเกิดตายมาสองพันสี่ร้อยปีจนมาเกิดอยู่ประเทศไทยผูบบลราชธานี <c oughs> มาชาติปัจจุบันหรือว่าหลายชาติมาแล้วท่านก็ได้บวชในศาสนา เมื่อมาบวชในศาสนาแล้วภาวนาจิตใจสงบประงับตั้งมั่นในภาวนาดีขึ้นโดยลำดับจึงมาถอนถอนคำปฏิญาณในใจของตัวเองว่าจะเอาเป็นพระพุทธเจ้านั่นมันกินเวลานาน ได้อยู่แต่ว่านานจะไปนิพพานในภพนิชานี้ไม่ได้ท่านก็เลยหยุดไม่เอาเมื่อบุญบาลามีแก่กลาเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏะสงสารแล้วตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาพ้นทุกภัยในโลกปัจจุบันนี้เสีย เราจรึงได้เห็นหลวงปู่มั่นขยันมันเพียรมีความสามารถอาจหารการที่ท่านมาเกิดในสมัยนี้มาพาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดจนถึงข้อวัดปฏิบัติต่งตางๆ แต่ก่อนนี้มันเสื่อมไปจนว่าวัดป่าก็ไม่มียังเหลือแต่วัดบ้านวัดบ้านก็ล่อแร่เต็มทีเมื่อหลวงปูมั่นมาบวชในศาสนาจเจริญภาวนาท่านก็แก้ไขแก้ไขให้มีวัดป่าขึ้น ไม่ว่าไปที่ไหนก็เรียกว่าอยู่ในปา่าสร้างวัดป่าขึ้นมาแต่ก่อนนี้ก็มีแบบพระทูดงภาคกลางเวลาจำพรรษาก็จำพรรษาวัดบ้านธรรมดาออกพรรษาแล้วดินแห้งก็ออกทูดงแบกบรดใหญ่พายยาม ไปภาวนาตามที่ชอบใจจะไปถุดงทั้งใดก็ไปแต่ก่อนๆมีอย่างนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นท่านขยันภาวนาท่านไม่เอาอย่างนั้นใกล้จะเข้าพรรษาก็ให้จัดเสนอาสนะ ไม่ต้องเอาหลูหลาเอาพอกันฝนกันแดดกันลมเป็นที่จำพรรษาชั่วระยะไตรมาสสามเดือนให้ญาติโยมปลุกกระต๊อบปลุกกุฏิน้อยให้อยู่มีศ า, าลาโรงฉันมุงยามุงยามุงคาก็พอแล้ว ทีนี้เมื่อท่านมาวีวัดพัฒนาการมาได้สมัยนี้ทางภาคอีสานถ้าไปที่ไหนก็จะมีวัดป่าอย่างว่านี่แหละแบบง่ายๆแต่สมัยนี้กับแบบใหญ่โตแบบนันมากขึ้นมาแล้วลำบากหน่อยถ้าออกพรรษาแล้วท่านกับพาเดินจมกลม พาไปทุกดงไม่ให้อยู่ไปหาที่ภาวนาที่ภูเขาที่ถ้าที่วีเวกที่ไหนมีก็ไปจเจริญภาวนาไม่ให้ไปมากไปองค์สององเพื่อจะได้ปฏิบัติบูบชาภาวนาจริงๆเมื่อขัดข้องอย่างไรก็ มาหาท่านมาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำตักเตืนแก้ไขในช่วงชีวิตของท่านนี่แหละก็เรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ให้ชื่อว่าพระวัดป่าหรือพระกรรมฐานพระทุ ด, ดงทั่วไปหรืออย่างเชียงใหม่ แต่ก่อนยังไม่มีพระกรรมฐานพระธูดงก็ขยายไม่ออกพระทางวัดบ้านเขาไม่ยอมไม่ยอมให้มีกลัวจะไปทำลายลาบสักการ ะ, ะของเขาแต่เมื่อหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาเนี่มันขยายออกไปได้มีวัดปาวัด กรรมฐานมากวัดต่อไปนี่แหละอาศัยหลวงปู่มั่นท่านขยันสมัยท่านยังมีชีวิตจิตใจยอยู่ท่านไม่ท้อถอยภาวนาในป่าในถ้ำในที่วิเวกอีกก้อนเอรอที่ไกลไกลสูงสูงภูเขาสูงที่สุดท่านก็ไปอยู่ได้ เพราะท่านมีความอดทนท่านไม่ถือความสุขสะดวกสบายแน่ภูเขาสูงขนาดไหนเวลาเย็นๆค่ำๆท่านไปส่งน้ำก็จะเอาบ้างไม่ไผ่สะพายลงไปไม่ลำใหญ่ๆไม่หกไม่สาง นอกจากสงน้ำแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาใช้ในที่พักอาศัยสภายขึ้นมาถ้ามีลูกศิษย์กจะช่วยถ้าไม่มีองค์ท่านก็หมั่นขยันทำได้คือมีความเพียรความหมัน่นความขยันเท่านั้นแหละมันทำได้ทั้งนั้น คือท่านไม่มุ่งเอาความสะดวกสบายมุ่งเอาไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีที่ภาวนาเดินจมกลมปฏิบัติบูบชาภาวนาได้เต็มที่เต็มฐานท่านเอาการปฏิบัติเป็นหลักถ้าหาว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มักสอนว่าไม่ให้นอนมากเกินไป ใหเดินจมกรมให้มากนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจมกรมเดินจมกรมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาสลับเปลี่ยนแปลงไปเพื่อร่างกายจะได้อยู่ดีสบายจะได้ปฏิบัติภาวนาต่อไปอย่างที่เคยได้เล่าว่าท่านเดินจมกรมก่อน สองชั่วโมงขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสามาธิสองชั่วโมงก็พอดีสี่ทุม่มสีทุ่มทัานก็จำวัดจำก็อยู่ในสี่ชั่วโมงท่านนั้นะตีสองท่านก็ลุกขึ้นมาเดินจงกลมสองชั่วโมงไหว้พระสองสองชั่วโมงนั่งสามาธิไหว้พระสองชั่วโมง ก็พอดีแจ้งสว่าง <c oughs> ไปบินธรรมบาดอันนี้นับว่าท่านทำได้เราก็ให้ตั้งใจขึ้นมามีขาสองขาเหมือนท่านมีมือสองมือเหมือนท่านมีตาสองตามีหูสองหูมีจมูกสองป่องมีกายมีจิต เหมือนเหมือนกับท่านท่านทำได้เราก็ให้ทำได้ <c oughs> โดยเฉพาะแล้ว <c oughs> ต้องการการละกิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเร า, นะามันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ได้เพิ่มขึ้นธรรมดา หลวงปูมั่นสมชื่อชื่อกวมมั่นมั่นคงเวลาท่านทำอะไรก็มั่นคงหนักแน่นไม่ท้อถอยมีจิตใจแน่วแน่เด็ดขาดดูรูปที่ท่านยืนให้เขาถ่ายนะถ้ามองแสงตาดูสายตาของท่านจิตใจแข็ง ไม่ย่อดท่อไม่กลัวที่นี่ลูกสิษิ์สมัยเมื่อเมื่อยังมีชีวิตยอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยใครจะไปอยู่ใกล้เลยถ้าทำไม่ถูกท่านก็ไล่หนีไล่ไปไม่ให้อยู่คือท่านต้องการผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่สบาย ภาวนาไม่ละกิเลสหลวงปู่ม่นนั่นท่านภาวนาละกิเลสท่านมีความหมั่นขยันเดินจมกลมว่วยพระสวดมนต์นั่งกรรมฐ า, านภาวนามีกิ จ, จวัตรอันใดเกิดขึ้นท่านก็ทําได้อันเ่าทุกคนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนา ภาวนาอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอให้เดินจงกลมบ้างการเดินจงกลมนั้นเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถนั่ง น, น, นานๆแล้ว ย, ย, ยืนยืนลานานแล้วก็เดินเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธในใจตั้งใจอยู่เสมอไม่ยอม อยู่ใต้อำนาจแกลดความโกรธความโลภความหลงพยายามฝึกฝนจิตใจของตน <c oughs> มีความแก่กล้าสามารถในการที่จะประปติบัติตามพระธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยเมื่อหลวงปู่มั่นท่านยังอยู่ความจเจริญเรื่องในทางปฏิบัติปูชา จึงมีมากเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วลูกศิโยภายหลังก็ไม่ขยันเหมือนท่านอันนี้เราต้องตั้งใจขึ้นมามันอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อเรานึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าในพุทธโธคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละ พระธรรมก็มีอยู่นะพระอริยสงสาก็อยู่ที่นั่นคุณคูบาอาจาร์ก็อยู่ที่นั่นพระสงสากองราหันตาก็อยู่ที่นั่นพุทธโธพลเทเจ้วนั่นแหละก่อใจถึงคาว่าพุทธโธจะต้องภาวนาปฏิบัติบูชาเอาจิงเอาไม่ได้ว่าปล่อยไปเหมือน ตกไปในกรน้ำให้น้ำไหลไม่ได้ผู้ภาวานาผูกบัตรธรรมะทุนกระแสทวนกระแสใจของเองอยู่ตลอดเวลาธรรมดาใจกี่แหลมมาไหลสูรทางต่ำเหมือนที่ตกลงมาจากว่ามันภูเขาไหลลงมาเป็นห้วยเล็กน้อยไปรวมกันเป็นํำลำธารใหญ่ไปโดยลำดับ น้ำนั่นก็หลงลงไปสู่ทะเลมาทั้งหมดอัาดาน้ำไหลลงไปสู่ต่ำขันดใดในคนเราทุกคนนั้นาไม่มีบัติบูชาไม่ภาวนาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตใจมันจะไหลไปสู่ทางต่ำเสมอ คำว่าต่ําเตี้ยก็คือไหลลงไปสู่หากิเลสกิเลสความโกรธมันอยู่ที่ไหนใจมันก็มักจะไปคล้องไปแวะอยู่ในกิเลสความโกรธความขัดเคืองนั่นกิเลสความโลภหรือว่าลาคะตัญหาเมื่อมันเกิดมีในจิตในใจแล้วมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ําถ้าใครทําตามอํานาจกิเลสความโกรธก็ดี ความโลกก็ดีความหลงก็ดีไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้มีแต่จะเสื่อมเสียจิตใจมันตกต่ำไปไม่สูงขึ้นจึงมีการระลึกถึงพระบรมครูศาสตราจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนับตั้งแต่พระองค์ตั้งปณิธานความหมมั่นปั้นใจ ว่าจะบำเพ็ญบา ร, รมีให้ได้ตรัสลูเป็นพระศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เต็มที่จนให้เต็มเปี่ยนในหลักที่ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปตังแต่นั้นมาพระองค์ก็ไม่มีความท้อถอยประการใด ไม่ว่าจะมาเกิดเป็นคนทุกไล่อนาถาแม้ยังเป็นสัตว์สิ่งดีลสานอยู่ก็ตามเมื่อถึงวันพระวันศีลจะเป็นนกเขานกกระทาเป็นสัตว์อะไรก็ตามท่านก็รักษาศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดยิ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็ยิ่งเอาใหญ่ ทานศีลภาวนาท่านบำเพ็ญอยู่ตลอดกาลด้วยอำนาจยิตใจท่านไม่ท้อถอยนั่นเองแม้จะมาเกิดมาตายอยู่ในโลกสีอสงไขยแสนมาหากัมนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็แข็งแกร่งกล้วกล้าสามื่อได้ตรัสรูปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สัตยิเรศขาดสบั้นหันแหลกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็ยังมีเมตตาการุณแก่มนุษย์และเทวดาอินทรพรมทั้งหลายช่วยมนุษย์คนเราแม้พระองค์ท่านมีชีวิตไม่มาถึงพวกเราทั้งหลาย ท่านก็ยังวางพุทธศาสนาประดิษฐานไว้ห้าพันปีศาสนาของพระองค์จึงจะหมดจากโลกนี้เวลานี้ก็ล่วงไปแล้วสองพันห้าร้อยยี่สิบหกปีนี่ก็นับว่าเราทุกคนยังเป็นผู้มีโชคดีอยู่เราเกิดมาพบนิชาตนนี่ก็ยังได้ เข้าสู่พุทธศาสนายังอยู่ในเขตขายศาสนาของพระองค์แล้วเราทุกคนก็จะได้รีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาสร้างคุณงามความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นเพราะการอยากได้ดีนั้นมันก็มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกคน แต่มันจะดีได้ต้องอาศัยปฏิบัติบูชาภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานี่หมายความว่าลงมือลงมือทาลงมือปฏิบัติลงมือทาบุญให้ทานลงมือรักษาสินห้าสินแปดขึ้นไปลงมือท่องบนศาสยรยาธรรมสอนของพระพุทธเจา้า จนลงมือไหว้พระสวดมนต์ตามการเวลาของหมู่ของคณะแล้วนั่งกรรมฐานภาวนาอย่าไปบ่นว่ามันเจ็บนั่นเจ็บนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องว่าถึงจะไปบ่นให้มันก็ไม่หายเจ็บถ้ามันหน้าที่มันต้องเจ็บมันก็เจ็บธรรมดารูปร่างกายนี้ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลม จะมาให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเกิดมาแล้วจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้มันแตกมันตายก็ไม่ได้อีกในทางที่ดีที่เหมาะที่สมชั่วชีวิตของเราที่ยังมีอยู่พระพุทธ เ, ธเจ้าท่านตรัสว่ายาได้ท่อถอยบำเพ็ญภาวนา รักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์อันศีลบริสุทธินั้นจะไปเพ่งเลงเอาตามสิกขาบทบินัยก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นักคำว่าศีลบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวานาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็นั่งภาวานาทุกคืนระยะเดี๋ยวนี้ก็ตามระยะต่อไปก็ตาม เวลาชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่ในขณะนั้นแหละให้ถือว่าศีลของเราบริสุทธิ์สมาทานศีลในใจคำว่าศีลบริสุทธิ์เรานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ไหนไม่ได้ไปลักขโมยใคร ไม่ได้ประพฤติผิดในกรมไม่ได้กล่าวมุสาว่าไม่ได้ดื่มกินสุรามีลายเป็นต้นขึ้นไปนั่นแหละถือว่าเวลาปัจจุบันนั่นนั้นศีลของเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งใจให้มั่นคงไม่ต้องให้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย ตั้งใจภาวนาพุโทโธหรืออุบายใดถูกกับจริตจิตใจของเราก็ให้นึกอุบายนั้นเมื่อนึกอุบายอื่นๆมันยังไม่สงบก็อย่าลืมอุบายคำว่าความตายความตายนั้นเป็นยอดธรรมถ้าผู้ใดนึกถึงความตายจิตใจยังประมาทอยู่ ยังเข้าใจว่าเราไม่ตายไม่ได้ความตายนั้นไม่มีใครไปแก้ไขได้ความตายมันไม่ใช่ว่าแก่ชราไปมาไม่ได้แล้วก็ตายเก้าสิบปีกว่าหรือร้อยปีจึงตายไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วความตาย ไม่มีเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายไปรถไปเรือยิ่งตายเร็วเมื่อมันเกิดอุปัวิเหตุขึ้นมาความตายนี่ใกล้ที่สุดถ้าเราไม่ภาวนาปล่อยปะละเลยมีแต่จิตประมาทก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่ตายง่ายๆความจริงแล้วความตายนี่เร็วที่สุด เวลามาถึงเข้าแทบจะรู้ไม่ทันปุ๊บปั๊บก็ตายไปเลยทางที่ดีเราต้องรีบทำรีบปฏิบัติไว้จะภาวนาบทใดข้อใดสิ่งใดก็ให้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละจิตยังไม่สงบ ก, ก็เอาให้มันสงบจิตยังไม่ตั้งมัน่นเอาให้มันตั้งมัน่น จิตมันยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนเอาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งจิตใจนั่นแหละเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารตัดบวงหวงอะไรกิเลสตัณหาใดๆที่เคยยึดมัน่นถือมั่นมาก็คลี่คลายออกไปยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ ทีนีเมื่อจิตใจสงบหลั ง, งับตั้งมั่นดีแล้วภัยอันตรายใดๆมันเกิดขึ้นมาตามธรรมดาธรรมชาติผู้ภาวนาก็จะต้องรู้เท่าทันไม่ให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจของตน ยองนึกถึงพระบรมศาสตดาจาร์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราจเจริญ อ, อยู่ว่าพุทโธพุทโธนานแหละคือว่าองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่มีสตุขจา่อยากกลัวต่อภัยอันตรายเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธ์หลุดพ้นจากกิเลสแล้ว ท่านไม่มีความยุ่งยากใดๆในหัวใจของท่านท่านเลิกท่านละท่านปล่อยท่านวางได้หมดแล้วกิเลสความโกรธก็ไม่มีในจิตของพระพุทธเจา้ากิเลสความโลภความอยากได้อย่างคนเราธรรมดาก็ไม่มีกิเลสความหลงหลงตามคนหลงตามสัตว์หลงตามวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่หลง จิตใจของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างกลายมาเป็นลัศมีหกประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อมาตรัสลู้ในโลกแล้วมีลัศมีสีสันวันลนะหกอย่างข้างละวาละวาพระองค์สเสด็จไปไหนไม่ต้อง ไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องมีไฟสายเทียนไขเละมันสว่างในตัวพระองค์นั่งอยู่บรรทมนอนอยู่ก็ตามเสด็จไปไหนทั้งกลางคืนกลางวันยังมีรัศมีหกประการตามไปซึ่งคนทางหลายตลอดจนถึงเทวดายิงผม ได้รู้ได้เห็นก็เข้าใจเดียวๆ น, นั่นที่มีลัศมีหกประการนั่นแหละคือประสาทสดาสมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาได้สนิทใจที่เป็นที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยอำนาจฐานบรารมีของพระองค์ด้วยอำนาจสีนะบรารมีของพระองค์ ด้วยบา ร, รมีสิบประการบา ร, รมีสามฉิทัพที่พระองค์บำเพ็ญมาครบถ้วนทุกส่วนทุกประการนั่นเองจิตใจก็ดีกายก็ดีความทุกความเดือดร้อนต่างๆนานาในจิตใจเป็นอันว่าไม่มีสบายท่านก็ไม่เป็นไม่ไปยึดไปถือเอา เมื่อไม่สบายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือเอากิเลสความโกรธโลภหลงท่านสลัดทิ้งท่านฆ่ามันทิ้งมันตายไปหมดแล้วไม่มีกิเลสความโกรธให้ใครไม่มีกิเลสความโลภอยากได้สมบัติพัฒสถานในโลกนี้ไม่มีกิเลสความหลงจะหลงอยู่ในรูกในนามในกายในจิตเหมือนคนเราธรรมดาไม่มี นามพระไทยใจพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างสาวกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจึงได้น้อมนึกลำลึกเอาพุทธคุณคำว่าพุทโทธพระพุทธเจ้ามาผูกจิตผูกใจของเราน้อมนึกลำลึกอยู่ในตัวในใจของเราไม่ว่านั่งก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่รอด ยืนไปที่ไหนเดินไปที่ไหนก็ล้ลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ให้มีในใจนี่พุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้ามาอยู่ในกายในวาจาในใจของเราได้ทุกเวลาด้วยอํานาจคุณพระพุทธเจ้าคุณประสีรัตนไตรายนี่แหละ คุณบริษัททั้งหลายที่ยังนึกยังจะเลื่อถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ภัยอันตรายต่างๆก็ไม่เกิดมีขึ้นแม้จะเกิดมีขึ้นก็น้อยเบาบางด้วยเตชานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยเตชานุภาพของประธรรมด้วยเตชานุภาพของพระอริยสงฆ์ จิต ใ, ใจของผู้เจริญอยู่ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายไปไหนอยู่ไหนก็ไม่มีภัยอันตรายมีแต่ความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจประการใดแล้วว่าบำเพ็ญภาวนาปฏบิบัติบูชาในใจิตใจของตนได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในเพศพันวันณะใดๆก็ตามเมื่อจิตใจตั้งได้นึกภาวนาได้รวมเอาจิตใจของตนได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขความสบายเรื่องเดือดเนื้อร่อนใจย่อมไม่มีเพราะได้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมถึงคุณระรัตนตรัยอยู่ จิตใจที่เศร้ามองขุนมัวเดือดร้อนวุ่นวายก็จะหายไปจะเป็นจิตใจที่มีความหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินอยู่ในที่ใดเมื่อยังไม่หลับ ก, ก็ภาวนาได้ปฏิบัติบูชาทำความดีได้ตลอดไปเว้นเสียแต่นอนหลับ นอนหลับไปแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกใจขึ้นมากดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมัตในธรรมะปฏิบัติเดี๋ยวจิตใจดวงผู้รู้อยู่เห็นอยู่มีโยในตัวในใจนะั้นไม่ได้หลงไม่ได้ลืม วันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามแล้วตั้งอยู่เสมอจเจริญขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นที่ท่านว่าภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกลมเข้าไปลมออกมาก็ภาวนาได้อยู่ไม่หลงไม่ลืมหรือว่าเมื่อเล่าแก่เท่าชลา ถึงขั้นแตกดับจะตายหนีจากโลกนี้จิตใจดวงที่ภาวนามาจนมีหลักฐานอยู่ในใจในตัวนั้นจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าโลกใดก็ตามบุญกุศลที่ตนประกอบกระทำอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปอันนี้แหละจะพาให้จิตใจของเรา เดินตามทางถูกไปทางสวรรค์เทวโลกขมมโลกไปสู่ทางนิพพานไม่มาหลงไหลติดข้องลัวพันอยู่ตามอำนาจกิเลส <c oughs> <c oughs> จึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาที่เราทุกคนทุกลูกทิดทุกนามจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนา ไม่ให้จิตใจท่อแทอ่อนแอในดวงใจประการใดพระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ภาวนาจนกระทั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีความสงบระ ง, งับเมื่อความสงบระ ง, งับบังเกิดมีขึ้นได้ก็จะต้องเข้าสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติ เมื่อจิตใจรู้แจ้งว่าลูกนามนี้ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์ลูกนามเป็นทุกข์ลูกนามไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตใจก็จะไม่วุ่นวายล่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสสิ่งใดไม่ดีก็เลิกละออกไปสิ่งใดดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดก็ให้ริเริ่มทำ แม้ว่าพาเวตประธรรมรีบทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าไปหมอมัวลอท่าคนโน้นคนนี่อยู่ไม่ได้ใครก็ตามพระพุทธเจ้าสั่งไว้ตัดไว้สอนไว้แล้วให้เราทุกคนจงรีบเร่งภาวานาทำใจให้สงบตั้งมัน่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วก็ให้ น้อมนำคาว่าหลักอนิจจังทุกขังอาตามาสอนจิตใจของเหล่านี้อีกทีหนึ่งเมื่อใจนี้มาลู้จักรลู้แจ้งลู่จริงอยู่ภายในว่าโลกนี้จะไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องทุกข์ด้วย การมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกถ้าไม่ภาวนาละกิเลสถ้าตั้งใจภาวนาละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจิตใจมองเห็นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่เทียนละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละให้มันหมดไปสิ้นไปจนรู้แจ้งพระนิพพานด้วยตนเอง จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เจริญจเจริญรุ่งเรืองเกิดความรู้ความฉลาดความสามาัคคีฐานขึ้นมาในจิตใจจิตใจก็ย่อมผ่องสสใสสะอาดเราว่าใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพราะ ผู้ปฏิบัติทั้งหลายภาวนาพุโทโธอยู่ในหัวใจไม่ปล่อยปะละเลยให้ใจฟุ้งซ่านล้ำคานไปอยู่ใต้อํานาจกิเลสเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติก็มีความสุขจิตสุขใจเมื่อจิตใจมีความสุขภายนอกมันก็สุขได้หมด เพราะว่าจิตใจมันเป็นนายกายเป็นเบาถ้าใจดีกายวาจาจิตมันก็ดีไปหมดถ้าใจเสียอะไรอะไรก็เสียไปหมดใจที่ไม่เสียก็คือใจภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการัันีสพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรยโยสุกีติขายูโกภวะอภิวาธนาศิริสนิจังวุ ธ, ธาปัจายิโนจตตาโรธรรมาวทันติ อายุวันโอสุ ข, ขังพาลังพระพุทธเจ้าของเราได้มาตรัสรู้ในโลกท่านก็รู้เข้าใจทีเดียวว่าการเยีนยงไหวตายเกิดของจิตตะวิญญาณแต่ละบุคคลบุคคลนะแล้ววันนับไม่ทวนแล้วเกิดมาพบใดชาาดใดก็มาเกิดในลูก ภาคมนุษย์นี่แหละเพื่อจะได้บำเพนบารมีในจิตใจของตนให้แก้วกลาสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดับการปฏิบัติบูชาจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติทันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนา คือว่าอุบายใดที่จะยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็ให้เอาอุบายนั่นแหละมาตักมาเตือนมาภาวนาและอุบายภาวนานั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาใดก็ตามมันขึ้นโยก็ความกำหนดรู้แจง้งรู้จริงภายในจิตใจของคนเรานั่นเอง ยาได้ทอดทุระยาได้ปล่อยคือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้นไปให้เราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ได้มากที่สดุดเท่าที่จะมากได้พระพุทธองค์ท่านจึงตัดสอนว่าอันการภาวนานั้น ไม่ว่าจะภาวนาข้อใดทำอันใดก็าตามให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกโดยเฉพาะแล้วมรณะกรรมฐานคือความตายนี้จะต้องเข้ามาถึงทุกคนไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นสมมุติอย่างไร มรณะภัยคือความตายนี่มันไล่ติดตามคนเราอยู่ทุกวันเวลาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความประมาทตั้งใจทำคุณงามความดีปฏิบัติดีปฏิบัติทอบตลอดกาล หนเหตุการณ์ต่างๆจะทำให้พระองค์เหมือนก็นจะเดือดร้อนวุ่นวายก็ตามแต่ว่าน้าประใยใจพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตใจสูงส่งแม้ว่าหมดกิเลสไม่โสดให้ใครคนที่หมดกิเลสไม่มีการโสดให้คนโน้นคนนี้รับปรุงตัวเองให้สังบประงับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะลั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนตั้งใจรวมใจให้มีสมาธิภาวนาไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สดเมื่อจิตใจตั้งมั่นได้ทุกคนก็จะมองเห็นว่าสืบธรรมกรรมฐานนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้ในตัวเราทุกคนนี่เอง ภายในหนังหุ้มเป็นที่สุดลอกเข้าไปเป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่ปารบความเพียรความเพียรความมั่นความขยันนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดคำพูดนี้เป็นการแสดงออกความเพียร น, นั้นทันว่าต้องมีอยู่ทุกเวลา เมื่อความเกลียนความหมั่นความขยันภาวนาไม่ท้อถอยทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วคนเน่าขัดสมาธิเพชรบริกรรมภาวนาทําใจให้สงบสงับไม่ปล่อยปากละเลยเมือ่อจิตใจไม่มีปล่อยปากละเลยนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนเดินไปมาที่ใด ก็มีสติความระลึกอยู่ในใจเรานึกพุทโธสติก็ควบคุมอีกว่าจิตใจนั้นเป็นผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั่นอะไรมากระทบตากระเทือนใจก็ตามรู้ตามเห็นอยู่ในตัวในใจนั่นเอง การภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ตรงสิทธิของแต่และบุคคลบุคคลไปใครตั้งใจดีก็ได้รับความสงบสุขเยือกเย็นในใจของตนเป็นคนดีไปถ้าใจไม่สงบระงับปล่อยปากละเลยไม่ควบคุมจิตใจยึดใจก็มีแต่จะตกต่ำเรื่อยไปขึ้นสูงไม่ค่อยจะได้ เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏบิบัติบูชาอยู่อย่างนี้ต้องมีสติเป็นที่ท่านว่าเป็นมหาสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าจิดมันเกิดประมาทขึ้นมาไม่มองเห็น <c oughs> ซึ่งภัยอันตรายคือความตายนั้นท่านก็ให้นึกให้เจริญเตือนใจว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้มือความตายเป็นผลที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้ว จึงที่เราเยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายสังขารอันนี้ก็เป็นของเราความจริงโลกธรรมนามธรรมเขาไม่เด็บอกว่าเขาเป็นของบุคคลผู้ใดความจริงธาตุดินน้ำไฟลมมันก็เหมือนเหมือนกันหมดมันต่อเนื่องกันมาตัวเรามาจากไหนก็มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า แล้วคนอื่นผู้อื่นเมื่อก็ต่อคืนไปข้างหลังอย่างนี้ตลอดการเพื่อให้จิตใจนี่แหละมีความสงบสุขเยือบเย็นไม่วุ่นวายภายนอกใจจะได้เกิดความสุขความสบายด้วยอำนาจภาวนาเมื่อภาวนาเข้าไปจริงๆจนสงบตั้งมั่นได้แล้ว ก็เป็นต้นทางทุกๆคนจะต้องประกอบกรรทธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจอยู่ทุกขณะทุกวันได้มาช่วยรับแต่วันของเราเองตัวเราเองวันไหนเกียดค้านแคะตั้งอใหม่นั่งมันง่อภาวนาก่อนถ้ายมันยังง่วงเดินจงก้างยาวอกลับมาพุทโธในใจ ใจสงบรางวันทุกข์คือให้ขาดระยะมันชื่อว่าเป็นไครเอาใจคอวัดประกอบอยู่ต่ตั้งใจถึงปัะจุบเอาคิดดูรูดันในใจของประจําใจสมาธิมีปันความรู้ประอยู่ตูในใจในใจนอกใจยืนอยู่ในโดนไปมามนี่โยนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นเป็นเรื่องของไม่ใส่ของ ใจเขาขภายในนะ่ะเป็นที่สุดหรอกโยภายในเราต้องโอหทำน้อมเข้ามาสงบในจิตใจผู้เห็นอยู่ในนีตะะ้ตลอดยืนเดินให้กตักำนดให้หายใจเขา้ายนมใจบายใจเป็นสุขพยาบาทอ้างไขรตั้งในจิตใจเมือว่าตั้งทีได้แล้วใจจะให้สว่าง ใจจะรู้จักบุญรู้จั ก, จกโทษไม่ว่าใจไม่ ส, สงบนี่แต่สงบแล้วก็สบายปไปไนหัวใจแม้จะไม่มีสมบัติของตนยึดใจที่อับนี่แลเป็นอุบายทรมยุ่งที่คนทุกดวงจกักจะต้องปรัำให้เกิดให้มีดาเข้าใจว่าคนอื่นทำลาแล้วไม่ทำไม่ะดา อะไรทั้งหมดหนึ่งไปจากสองไปกับอื่นผู้อื่นนั่นไปทำไม่สาครัอยู่ที่ตัวคนยาดนั่งโดยสมาคือนั่งพวาทนไปอยู่ไม่ให้เป็ภาวนาเนี่ยิมีความนั่นไม่หันอารมณ์ได้ซอถานที่อยู่ที่ไหนตามโยผู้ต่างนำใครนั่นแหะพุทถโธในสังโฆโยอ ย, อยในใจ เตนมความเย็นไม่เล่ารอดดันหาอำนานโอ่างนี้โอไว้ข้าเลยเมื่อจับใจของเราได้ก็ให้เอามาสั่งสอนสอนให้อยู่ได้ในวัดการภาวนาใยจยายูุสังวรใหหนหลักในสิ่งหลดติดไม่ขาดที่ก็ต่อนเมื่อสมาเมื่อเปิดเปิดขึ้นทิจรณาอะไรทุกข์ทนน่วนละแต่ต้องอาศัยอกตังใจของมัน ในใจเดวาพุทธจิงตัวในใจอยู่ในรอใจระงับย่อมเป็นยืดเดวะพุทธตัวในดวงจะตอยู่จนเป็นองค์พุทธโยภยัยจงปีิบัติธรรมในศาสนาในความท้อในหัวใจเมื่อใครบ่งตัวสอนอามรักษาขึ้นมาในพีพตัวอะไรอันขึ้นนั้นเย่มลงไปเจริญโดยลำดับ ชนะท่านทางหลาดินในฝังนดเดจิดเดิดปฏิบัติาาก็จะเป็นเจริญแง่างทางพุทธนะมาตอสกาละเววังกอเมกาละอีสัพพิวัทันโควินเตภวัตโ ย, กโก ย, ย จ, จุกโยภวะอะตุวาพิษเิตจัปัจจายโนโรธรรมาอายุวัน ท, ทั้งควาเพื่อความปู่มีความเทียน อัมลาคลองไทยฤดูฝนตัณหาหนังมนุษย์และสัตว์สโลกเทวะตอนนี้ไม่มีเมืองได้อย่างนั้นอย่างอื่นต่อตบดีอย่างนี้อย่างอื่นต่อตบทันจึงจัดนับทีตันนาทีเสมอด้วยตัณหาสติทิตังจิต ปัญญาโลเลโลเลยยอะไรขึ้นมาได้เด็กหาหน้าแห้งละก็ไม่ทาําตีเลดความอยากดินน้นรลอนกรอดลอบหลงทั้งละวาระลึกโยจะระลึกสมาธิตันอนไม่เอาที้ก็เจดใจของเลิมไม่ได้ผู้รู้มี ลังลงไปตามาในจิตใจโลเลมาเอกชาตินายทวนแล้วยังจะเลียู่ไม่หยุดไม่ยิงหยุดไม่หยอ่อนหลงปล่อยให้จาโคบมันออกไปตินิดสโคปล่อยอย่มามันหลงตีเอาเอาให้มันลหลดละละให้มันออกเชิกได้ละได้อะไรโย ตายอยากภาวาในใจละใจนี้ทั้งกลางวันยืนเดินนั่งนอนหมดเกิดจนแกจนตายเมื่อใดก็หมดก่อนตายถ้าเลิกละตายกลับมาอีกมันนอนในท่อเกิวายเกิดตา ย, ยานี้แหละหมุนเวียนเหมือนไตขอบด้งเจ็บ ต, ตายมาอีกเกิดเป็นตาต่างก็เกิดนะมันเกิด โลปักซีอันนี้ตุกของโลตัวเกิดจิตนั่นแหละจิตไม่ไม่โล่แจ้งจิตไม่หยดุดตันไม่หมดไปดตลอดกาลกีลตันหาเด็ดขาดลงละตันหมดไปสิ้นตายอยู่เข้ากันอย่าไปดูประพุติเสโลตะแม้เลือดหนังหุง้มกระดูกก็